หลวงพ่อไม่ได้สอนแบบคนใหม่ๆนะรุ่นนี้ดูแล้วเคยเรียนเคยฟังมาส่วนใหญ่มหัดตาวนานะต้องทำเอาเขารู้หลักแล้วต้องปฏิบัติเอาภาวนาทำเล่นๆไม่ได้ไม่ได้ผลเนี่ยทำนิดๆหน่อยๆนะสู้กิเลสไม่ได้ เราแต่ละคนนะสะสมกิเลสข้ามภพข้ามชาตินานในเป็นแบบคราบโสโครกฝังลึกต้องใช้เวลาสักล้างจิตใจแค่จะรู้ทันกิเลสก็ไม่ใช่เรื่องง่ายคนในโลกมันไม่รู้ทันกิเลสตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสตลอดเวลาบางคนก็กลัวเห็นกิเลสกนะรู้ว่ากิเลสไม่ดี เขาหาทางแก้ไขหาวิธีต่อสู้กับกิเลสนานาชนิดบางคนก็มีความเชื่อนะว่าถ้าสนองกิเลสไปเลยเลยสนองจะได้เลกิเลสมันก็หมดไปเองอยากกินก็ไปกินอยากนอนก็ไปนอนเดี๋ยวก็หายอยาก mm hmm. นี่สนองกิเลสมันหมดอยากอันหนึง่งมันก็ไปอยากอีกอันหนึง่งมันไม่ใช่วิธีที่จะพ้นทุกข์ได้อีกพวกหนึ่งใช้วิธีต่อต้าน รุนแรงสังเกตดูกิเลสมันมาจากความรักตัวเองททรมานมันซะเลยให้มันเข็ดนะอยากกินไม่กินอยากนอนไม่นอนอยากนั่งก็ไปนั่งบนตะปูนั่งบนหนามอะไรอย่างนี้อยากกินก็อดข้าวไปเลยไม่ต้องกินก็เป็นวิธีต่อสู้กิเลสเหมือนกันไม่กลัวตายยอมททรมานแค่ไหนก็ยอมเพื่อวันหนึ่งจะชนะกิเลส พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ใช้วิธีรุนแรงต่อสู้กับกิเลสเพราะมันสู้ไม่ได้จริงอย่างเราไปทำอะไรที่ทรมานมากๆนะตั้งเป้าไว้เช่นเราจะไม่กระดุกกระดิกเลยยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วทำสำเร็จดูเหมือนดีดูเหมือนว่าชนะกิเลส ลึกๆลงไปแวบเดียวเท่านั้นภูมิใจแล้วที่ทําได้กูเก่งขึ้นมาแล้วคนอื่นทําไม่ได้กูเก่งกูทําได้กิเลสตัวหนึ่งอาจจะหลบไปนะกิเลสที่ละเอียดลึกซึ้งกว่ามันเข้ามาหลอกแทนนักปราชทั้งหลายเขาพยายามหาวิธีที่จะพ้นอนาจของกิเลสมวิธีพ้ทุกพ้นกิเลสบางคนก็สังเกตอีก กิเลสมันมาจากใจมันคิดนึกปรุงแต่งถ้าใจมันคิดนึกปรุงแต่งกิเลสก็เกิดถ้าไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งกิเลสก็ไม่เกิดเห็นพวกเราสังเกตไหมก่อนจะโกรธเราต้องคิดก่อนเราขับรถอยู่นละคนมาขับรถปาดหน้าเราถ้าเราสักว่ารู้ว่าเห็นไม่โกรธเราต้องคิดหน่อยหนึ่งแน่สะแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเก่งหรออะไรย่างเงี้ย ทำไมไม่มีมารยาทเนี่ยต้องคิดในทางพยาบาทพยาบาทวิตตกโทสะก็เกิดถ้าเห็นอะไรสวยๆงามๆเห็นแล้วก็แค่เห็นนะไม่คิดต่อก็งั้นๆนะ่ะถ้าคิดต่อนะมันกิเลสราคะอะไรก็เกิดง่ายอย่างเดินไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งผ่านไปปั๊บใจเฉยๆไม่สนใจจบแค่นั้นเอง ถ้าสนใจนะโอ้คนนี้ตาสวยรูปร่างสวยผิวพรรณสวยสวยไปเรื่อยๆนะแต่เดี๋ยวเดียวราคาเกิดละเนี่ยเขาเห็นหนั่งกันนะว่ากิเลสตามหลังความคิดมาเราะฉนั้นถ้าจะแก้ป้องกันไม่ให้มีกิเลสก็อย่าไปคิดเหมือนเนี่ยมันเขาก็ฉลาดนะไม่ใช่เขาโง่มิตีที่จะไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งทําได้อันหนึ่งก็คือเข้าวาัเข้าวฉัน ที่เพ่งรูปเพ่งลมหายใจหรือเพ่งกระสินเพ่งอะไรก็ได้พอถึงฌานที่สี่แล้วเนะอย่าไปใส่ใจกับความรู้สึกหนีเลยหนีความรู้สึกไปจิตกะดับลงไปบางทีก็ทรมานมากๆนะให้จิตหนีเช่นเดินจงกรมทีละสิบชั่วโมงเนี่ยไปนั่งต่ออีกสิบชั่วโมงอย่างเงี้ยทรมานให้หนักเลย หนักชนจิตนี่นะมันหมดเรี่ยวหมดแรงนะมันเอือมลามมันหนีการรับรู้ไปจิตดับลงไปแล้วนึกว่าได้มรรคผลนิพพานควาจริงจิตมันทนทรมานไม่ไหวแล้วมันดับความรับรู้ลงไปคล้ายๆสลบไปเหลือแต่ร่างกายแข็งแข็งอยู่ไม่มีจิตจิตดับอันนี้ก็เป็นฌานที่สี่เหมือนกันแต่ฌานที่4ี่แล้วจิตมันพลิก เข้าอสัญญาสัตตาภูมิเป็นปล่มลูกฟักเหลือแต่ร่างกายไม่มีจิตเป็นสัตว์ขันเดียวอย่างพวกเราเป็นสัรว์ห้าขันมีรูปเมทนาสัญญาสังขารวิญญาณพอจิตดับนั้นะเจตสิกจะดับด้วยพอจิตดับเมทนาสัญญาสังขารก็ดับเหลือรูปอันเดียวในขันนะห้านั่นเหลือขันเดียวคือรูปอันนี้ไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งเหมือนเหมือนไม่มีกิเลสนื่อาบางคนที่คิดว่าตรงนี้เป็นนิพพาน ออกมาจากตรงนี้นะัมันก็กลับมามีกิเลสใหม่นี่บางคนเวลาตายตายอยู่ในภูมิของอสัญญาสัตตนีแล้วนะตายจิตทรงภูมินี้อยู่ไปเกิดเป็นพรมอสัญญาสัตตาพรมลูกฟักนั้นนะอยู่นานเป็นหมื่นกับอะไรเงี้ยอยู่นานพอจิตเคลื่อนลงมาเกิดนะพวกนี้จะได้มิจฉาทิฏฐิติดตัวมาด้วย มันจะอาศัยกำลังของฌานที่ทำมานา น, นะะระลึกชาติได้ปุ๊บจะเห็นเลยว่าแต่ก่อนไม่มีอะไรอยู่ๆก็ผุดเกิดขึ้นมาเลยเนี่ยแต่เดิมไม่มีอะไรเลยอยู่ๆก็โผล่ขึ้นมาทุกสิ่งเกิดโดยไม่มีเหตุหรอกนะก็เป็นมิจฉาทิฏฐิพวกหนึ่งที่คิดว่าสิ่งต่างๆเกิดโดยไม่มีเหตุไม่มีใครทำให้เกิดขึ้นตัวฉันนี่แหละเป็นสยมปูเกิดก่อนคนอื่นเลยนะเพราะเกิดมาจากความไม่มีอะไรเลย เนี่ยพอมักวิธีผิดนะฉลาดที่รู้ว่ากิเลสมันตามหลังความคิดมาแต่ไม่รู้วิธีที่จะต่อสู้เอาชนะมันเขาคิดวิธีต่างๆนาๆนาบางคนสนองกิเลสบางค น, นงอย่างนู้นอะย่างนี้บางคนก็พยายามดับความคิดบางคนทรมานมันฝืนมันตลอดดับความคิดทําอย่างหนึ่งเนี่ยทำแบบปล่มลูกฟักไม่ได้ได อย่างหนึ่งเข้าอรูปฌปานอยู่กับความนิ่งความว่างความไม่มีอะไรพอไปอยู่ในความว่างความไม่มีอะไรก็เป็นภพภูมันหนึ่งนะอยู่ในความว่างๆเรื่องอากาศสาร น, นจายตะนะภูมิอยู่ในความไม่มีอะไรชื่ออากินจัญญายตะนะภูมิพามันไม่มีตรงนั้นมันไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายมัเหลือแต่ใจอันเดียว เราไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายเนะี่ยการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่มีมีแต่การกระทบอารมณ์ทางใจแต่ว่าเข้าฌานอยู่ก็กระทบอารมณ์อันเดียวเช่นเห็นแต่ความว่างเห็นแต่ความไม่มีอะไรจิดไม่ถูกย่อให้คิดในสุดความคิดก็ความรู้สึกอะไรเนี่ยค่อยๆเลือนเลือนเลือนหายไปนะเหลือแต่ความหมายรู้อยู่นิดหนึ่งมีความหมายรู้อยู่นิดเดียว มีเหมือนไม่มีเรียกว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะทีนี้เหมือนกับไม่คิดนะคิดเล็กๆ เ, เล็กที่สุดอยู่ตรงนี้ก็รู้สึกว่ามีแต่ความสุขไม่มีอะไรว่างเปล่าสบายมีความสุขพอออกมานะมาเป็นคนกลับมาได้เวละลึกชาติขึ้นมาได้ก็เลยรู้เลยโอ้จิตนี้เที่ยงเนาะจิตของเราเคยอยู่ในอรูปประภูมินะ ไม่เห็นตายเลยอยูนะ่เสร็จแล้วมาเกิดเป็นคนก็จิตดวงเดิมนั่นแหละจิตนิเที่ยงเนาะก็เป็นมิจฉาทิฏฐิพวกนึงเนะื่อโอกาสที่การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเนะี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดานักปราสทั้งหลายเขาหาทางพ้นทุกข์มากันนักหนาแล้วนะบางคนก็สนองกิเลสบางคนก็ฝืนกิเลสทรมานกายนะทรมานใจ บางคนก็ฝึกจิตไม่ให้รับรู้อารมณ์หรือฝึกจิตไม่ให้คิดไม่ให้นึกไม่ให้ปรุงไม่ให้แต่งสารพัดจะฝึกพระพุทธเจ้าไม่ได้เอาวิธีเหล่านี้ท่านได้ทดลองมาแล้ ว, ลวเราพบว่ามันไม่จริงหรอกนะไม่มีร่างกายไม่มีจิตเหรอเดี๋ยวก็มีขึ้นมาอีกนะเชื้อเกิดมันยังมีนะเดี๋ยวก็ปรุงยังมีเอาวิชาอยู่เมืนะ่อปรุงขันขึ้นมาอีก วนเวียนไปไม่มีที่สิ้นสุดท่านก็มาสแสวงหาทางของท่านเองทางของท่านคือการรู้ทุกข์ทางของท่านคือการรู้ทุกทขกรรก์แทนที่จะหนีทุกข์เหมือนที่คนอื่นอยากหนีคอยไปสารวจจะทายัางไงจะพ้นทุกข์ได้ทํางไงจะพ้นทุกข์ได้เช่นมีกิเลสขึ้นมานะอยากโน้อนอยากนี่มันทุกขนะ์นันสนองกิเลสเสเออเนี่พ้นทุกข์เลยนี่ ฝืนใจทรมานตัวเองข่มตัวเองมากให้คิดว่าวันหนึ่งจะชนะแล้วจะพ้นทุกข์ไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งคิดว่าจะพ้นทุกข์ทางที่ท่านค้นพบนะไม่ใช่ทางที่ทำอะไรแปลกๆในขั้นตามใจกิเลสหรือในขั้นทรมานตัวเองบังคับตัวเองแทรกแซงดัดแปลงตัวเองทางสายกลางที่ท่านค้นพบคือการรู้ทุกขนะ์แทนที่จะหนีทุกข์แทนที่จะเกลียดทุกข์ ท่านมาเรียนเรื่องทุกข์ทุกอยู่ที่ไหนอะไรเป็นทุกข์รูปกระนำกายกระใจนี้เป็นทุกข์งั้นแทนที่ท่านจะหนีหาทางดัดแปลงมันทรมานมันอย่างน้นอย่างนี้ซิกแซกไปเรื่อยค้นคว้าไปเรื่อยท่านหยุดการดิ้นรนค้นคว้าหาทางพ้นทุกข์ไม่เกลียดทุกข์ต่อไปนี้ไม่เกลียดทุกข์แล้วจะเรียนรู้ทุกข์อะไรเป็นทุกข์รูปกนะมเป็นทุกข์กายกระใจเป็นทุกข์ ท่านก็ดูต่อไปอีกนะมาสำรวจทองไปเรื่อยรูปนามมีอยูนะ่แต่ถ้าจิตไม่เข้าไปยกไปหยิบไป่วยเอารูปเอานามมาเป็นตัวกูของกูนะก็ความทุกข์ก็ไม่เกิดนะความทุกข์จะอยู่ที่รูปนามความทุกข์จะไม่เข้ามาสู่จิตใจเลยนะอย่างร่างกายนี่เป็นทุกขนะ์แต่ถ้าไม่เข้าไปยึดถือนะเวลาร่างกายมันแก่ มันจะรู้สึกว่ารูปมันแก่แล้วไม่ใช่เราแก่เราไม่ทุกไปกับความแก่รูปมันเจ็บไม่ใช่เราเจ็บรูปมันตายไม่ใช่เราตายจิตนี้มันพลัดพรากจากสิ่งที่รักจิตนี้มันเจอสิ่งที่ไม่รักจิตนี้มันอยากแล้วไม่สมอยากมันไม่ใช่เราทุกจิตมันทุกของมันเองไม่ใช่เราทุกเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปนะม่ใจะเห็นนะมีความทุกข์ขันนั่นแหละเป็นตัวทุกข์แต่ไม่มีเราที่เป็นทุกข์ ความทุกข์มีอยูนะ่เหมือนโลกนี้เนะนี่ย ท, ทุกสิ่งทุกอย่างนะมันมีอย่างกระติกน้ําเนี่ยมันมีน้ําหนักแกขวดน้นํานี่ขวดน้ํานี่เล็กกว่าอันไหนหนักกว่ากันถ้าไม่ยกอ่ะถ้าหลวงพ่อยกอันนี้ยอันนี้หนักกว่ากระติกแล้วเั็นไห ม, มถ้าเราวางไปเราะเถืออันนี้อันนี้นิดเดียวเนี่ยหนักที่สุดละอันนี้เราไม่ได้ถือไว้นะถ้าจิตไม่ไปหยิบช่วยอะไรขึ้นมานะ สิ่งนั้นจะไม่มีน้ำหนักสําหรับจิตจะไม่มีภาระกับจิตเลยนี่แค่เนี้ถือไปเรื่อยๆเมื่อยนะมีน้ําหนักงั้นถ้าเมื่อไหร่จิตไม่ไปหยิบไปช่วยอะไรขึ้นมานะสิ่งนั้นทุกโดยตัวของมันมันหนักโดยตัวของมันแต่จิตไม่ไปหยิบขึ้นมาจิตไม่หนักไปด้วยนนี่ทําไมจิตถึงจะไม่เข้าไปหยิบไปช่วยเอารูปเอาน้ำเหมือนมือ น, นี้ทำไมซุ่มซ่ามไปหยิบกระติกมาถือเล่นไม่ไปหยิบ ขวดน้ำเล็กๆนี่มาไม่ไปหยิบอย่าดมเล็กๆนี่มาจิตจะไม่ยอมทิ้งรูปทิ้งนามนะถ้าไม่เห็นความจริงว่ารูปนามเนี่ยไม่ใช่ของดีของวิเศษเราหลงคิดว่ารูปนามกายใจของเราเนี่ยเป็นของดีของวิเศษนะเราถึงหยิบเฉยเอาไว้ไม่ยอมปล่อยงั้นใครจะมาบอกให้ปล่อยวางซะเถอปล่อยวางซะเธอมันปล่อยไม่ได้ใครเคยอกหักไหมแล้วมีเพื่อนมาปลอบ บอกทำใจซะเถอะปล่อยวางซะเถอะนะเขาไปแล้วทำได้ไหมทำไม่ได้เพราะอะไรแฟนเรานั้นยังเป็นของดีของพิเศษสําหรับเราอยู่อยากคืนอยากได้คืนมาใช่ไหมถ้าเรารู้ว่าไอ้นี่อะไรอะไรก็น่ากเกลียดหมดเลยกระทั่งปากก็เหม็นทุกสิ่งทุกอย่างเลวหมดเลยมันไปได้จะดีใจใช่ไหมตายตายซะได้ดีมันไม่ตายซะทีย่างกลุ่มใจเลยบางคนบน่นนะเมียทาไมอายุยืนจัง ได้เริ่มเห็นความไม่ดีไม่งามผู้หญิงก็เหมือนกันรู้สึกไอ้แก่เนี่ยอายุยืนแล้วเกินเพราะเห็นความไม่ดีไม่งามตามใดที่ยังเห็นว่ามันเป็นของดีของงามมันยังรักมันยังห่วงแหนอยู่สังสารวัฏในร้ายกาจกิเลสในร้ายกาจลึกซึ้งมากเลยมันสอนให้เราหมายรู้สิ่งต่างๆตรงข้ามก่าความเป็นจริงตลอดเลยในความเป็นจริงอย่างตัวคนตัวสัตว์ทั้งหลายเนี่ย ไม่สวยไม่งามสกปลกนะไม่สวยไม่งามมันเป็นหลงผิดว่าสวยว่างามมันไม่มองให้ทะลุของจริงเข้าไปอย่างเราเห็นสาวสวยคนหนึ่งเราก็โอ้สวยอย่างเลยสวยอย่างโน้นสวยอย่างนี้นะเวลาพระอราหันต์ท่านเห็นอย่างพระโมคคลานะมีสาวมาจีบท่านท่านก็บอกสาวเลยว่าน้องสาวน้องหญิงนะพระสมัยก่อนพูดเพราะนะพูดกับผู้หญิงเรียกน้องหญิง ไม่เรียกอย่างโน้นอย่างนี้นะจาจ้จ๋าจ๋าคงไม่ถึงขนาดนั้นฮะผมบอกน้องหญิงเราเห็นน้องหญิงนะเหมือนถุงหนังใบหนึ่งมีรูรั่วใหญ่ๆอยู่เก้ารูมีรูรั่วเล็กๆนับไม่ท่วนเลยมีของโศโครกไหลออกมาเป็นนิดน้องหญิงฟังนะไม่ไหวไว้เพลานี้จิบไม่ลงแล้วนะเห็นตัวเองเนี่ยดูไม่ได้เลยจริงๆพวกเราเป็นถุงหนังคนละใบนึก อ, ออกไหม มีหนังหุ้มอยู่ดูออกไหมมีรูรั่วใหญ่ๆเก้ารูไปนับเอาเนาะนับเอาเองรูรั่วเล็กๆนับไม่ท้วนทุกๆรูนะั้นนะ่ะมีของโศโรครกไหลชุ่มหมอกมาเป็นนิดรู้สึกไหมสกปรกนะอืเนี่ยของไม่สวยไม่งามนะเราก็หลงผิดว่าสวยบ้างงามของไม่เที่ยงเราหลงว่าเที่ยงอย่างร่างกายจิตใจของเราเนี่ยเต็มไปด้วยของไม่เที่ยงนะเรารู้สึกว่ามันเที่ยงนะมันเป็นคนเดิม ร่างกายของเราเนี่ยเราก็นานๆเราก็ค่อยรู้สึกนะว่าเออมันแก่ไปแล้วค่อยยอมรับได้ว่ามันแก่แต่มันก็คนเดิมแหละแต่มันแกนะ่เราไม่เห็นรูปมันเกิดดับความจริงรูปนะเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันนะแต่เรามองไม่เห็นอยางทัศนะเราไม่พอนะจิตใจนี่เราก็เหมือนกันเรารู้สึกว่าจิตใจของเราเป็นตัวเดิมนะ จิตใจของเราวันนี้กับจิตใจของเราตอนเด็กๆก็เป็นคนเดิมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งคนนี้ปัจจุบันกับคนนี้สมัยอดีตเป็นคนเดียวกันรู้สึกเป็นคนเดียวกันของไม่เที่ยงไม่เคยเห็นเลยนะจิตนั้นเกินดับอยู่ตลอดเวลาเราไม่เคยเห็นเลยเ น, นี่ยมันน่ากลัวนะสังสารวัตรความไม่รู้ของเราเนี่ไม่รู้นะว่าของไม่ไม่เที่ยงก็ไปคิดว่ามันเที่ยงเราเห็นว่ากายนี้ใจนี้นันานๆทุกทีหนึ่งไม่ใช่ตัวทุกหรอก แต่ถ้ามีอะไรมาทําร้ายมันนะก็ทุกข์สักทีหนึ่งเช่นร่างกายเนี้ยถ้าเชื้อโรคเข้ามาทีก็เจ็บป่วยก็ทุกข์ทีหนึ่งถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยก็ไม่ทุกข์จิตใจก็เหมือนกันนะถ้าสมหวังตลอดก็ไม่ทุกข์ถ้าผิดหวังถึงจะทุกข์เพนั้นนานๆผิดหวังทีก็นานๆทุกข์ทีเนี่ยเราเห็นของเป็นทุกข์ว่าเป็นสุขในความเป็นจริงถ้าเราเจริญสติเจริญปัญญาแก่กล้าขึ้นมาแล้วเนีเราจะเห็นร่างกายนี้ทุกข์อยู่ตลอดเวลาเราจะเห็นจิตใจนั้นเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลา ไม่ใช่ของสุกเลยนะไม่ใช่นานๆทุกทีหนึ่งแต่ว่าจริงๆทุกตลอดเลยเรามาทดสอบดูนะถ้าเราไม่ขาดสติเราพวกเราลองหายใจออกไปเรื่อยๆหายใจออกไปอย่าหายใจเข้านะเราสักห้านานทีไหวไหมไม่ไหวอะ่ะนะหายใจออกก็ทุกุรู้สึกไหมทําไมเราต้องหายใจเข้าหายใจเข้าเพื่อแก้ทุกข์แต่หายใจเข้าไปเรื่อยๆเราก็ทุกข์อีกแล้ว เราต้องหายใจออกเพื่อแก้ทุกข์ชีวิตแต่ละวันไม่ได้ทำอะไรมากกว่าการแก้ทุกข์เลยนะร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ความบีบคั้นตลอดเวลาเรานึกว่าของดีของวิเศษทั้งๆที่เราต้องแก้ทุกข์อยู่ตลอดเวลาแก้ทุกข์อยู่ทั้งวันอะ่นะร้อนไปก็ต้องไปอาบน้าไปเข้าห้องแอรนะ์หิวก็ต้องไปกินกินมากไปอึดอัดนะก็ทุกข์อีกแล้วต้องไปเดินให้หายอึดอัด กินแล้วก็ปวดท้องอยากขับถ่ายต้องไปขับถ่ายก็เพื่อแก้ทุกข์อีกละนั่งอยู่ก็ทุกข์นะต้องขยับไปขยับมาทําไมต้องขยับขยับแก้ทุกข์ลองนั่งแล้วไม่กระดิกเลยสิทุกข์ตายเลยนะนั่งแล้วต้องกระดุกกระดิกนิดหน่อยๆอย่างน้อยกระดิกเอวกระดิกให้เอวไม่ขยับนิดหน่อยแล้วมันบรรเทาทุกข์ได้บ้างในความเป็นจริงแล้วร่างกายเนี่ยทุกข์อยู่ตลอดนะแต่เราไม่เห็นเพราะเราไม่เคยสนใจที่จะรู้มัน <ítulo> เราไม่สนใจที่จะรู้มันถ้ารู้ถ้าสนใจ ท, ที่จะคอยรู้กายเรื่อยๆเราจะเห็นความทุกข์ที่ซ่อนอยู่ในกายเห็นความไม่เที่ยงที่ซ่อนอยู่ในกายหายชจออกก็ไม่เที่ยงหายใจเข้าก็ไม่เที่ยงนั่งก็ไม่เที่ยงเดินยืนเดินนั่งนอนก็ไม่เที่ยงนะคูก็ไม่เที่ยงเหยียดก็ไม่เที่ยงเดี่ยวซ้ายแลงขวาก็ไม่เที่ยงจะเห็นอย่างนี้เรื่อยๆดูไปดูไปอีกถ้าเราไม่ลืมกายซะนะเราคอยรู้คอยดูม <tr ันเรื่อยบางคนก็เห็นเป็นอนัตตา เห็นร่างกายเหมือนถุงใบหนึ่งถุงหนังนะพองเข้าเดี๋ยวก็พองเดี๋ยวก็ยุบเดี๋ยวก็พองเดี๋ยวก็ยุบนะเหมือนถุงใบหนึ่งบางทีก็เห็นเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งนะยืนเดินนั่งนอนไปใจเราเป็นคนดูอยู่เราไม่รู้สึกว่ามันเป็นเราเลยมันไม่ใช่เราหรอกมันเป็นวัตถุมันเป็นก้อนธาตุในความเป็นจริงแล้วร่างกายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเรายืมวัตถุเรายืมธาตุของโลกมาใช้ เบื้องต้นยืมวัตถุธาตุมาจากพ่อแม่เนะสร็จแล้วก็ยืมวัตถุธาตุจากโลกมาใช้ต่อ<ม>กินอาหารเข้าไปกินน้ำเข้าไปหายใจเข้าไปนะมีธาตุหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาร่างกายเป็นแค่วัตถนะุแล้วก็เอาไปไหนไม่ได้นะ<ม>สุดท้ายก็ต้องขืนโลกนะเอาไปไม่ได้ไม่ใช่ของเราที่แท้จริง ไม่ใช่คนเลยไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาแต่เราไปสําคัญมั่นหมายนะว่านี่เป็นคนนี่เป็นสัตว์นี่เป็นตัวเราตัวเขาความจริงเป็นวัตถุเป็นก้อนดินเป็นก้อนน้ําเป็นลมเป็นไฟก็เหมือนกับวัตถุทั้งหลายในโลกนั่นเองเนี่ยถ้าเรามีสตินะครับก็คอยเรียนรู้ความเป็นจริงของกายเราก็จะเห็นในร่างกายนี้ไม่เที่ยงร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาร่างกายนี้เป็นวัตถุธาตุไม่ใช่ตัวเราหรอก แล้วก็ควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้สั่งไม่ได้สั่งไม่ให้แก่ก็ไม่ได้สั่งไม่ให้เจ็บก็ไม่ได้สั่งไม่ให้ตายก็ไม่ได้สั่งไม่ให้ปวดไม่ให้เมื่อยไม่ให้หิวไม่ให้หนาวไม่ให้ร้อนสั่งไม่ได้สักอย่างเดียวไม่อยู่ในอำนาจบังคับนะเนี่ยถ้าเรามีสตินะเราคอยดูความจริงของกายแล้วเห็นหน้าเอื่อมราไม่ใช่ของดีของวิเศษเหมือนที่เคยนึกหรอกทุกวันนี้เป็นหลงว่ากายเป็นของดีของวิเศษเพราะเราไม่ดูมันเรามัวแต่หลงไปอยู่ที่อื่น มัวแต่ดูคนอื่นโอ้สวยสวยงามดูดอกไม้ดูโน้นดูนี่ไปนะโมวแต่ฟังโน้นฟังนี้ไปนะโัวแต่ดมโน้นดมนี่ไปมัวแต่สัมผัสรถโน้นรถนี้ไปนะเนี่ยใจโมวแต่ไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งมันหลงมันลืมตัวเองตลอดเวลามันไม่เคยย้อนมาดูร่างกายของตัวเองแทนที่จะให้จิตใจมันหลงเลื่อยเปื่อยไปทั้งวันทั้งวันนะตลอดปีตลอดชาติหลายพบหลายชาติก็หลงโมยอย่างนี้ ไม่เคยเห็นความเป็นจริงของร่างกายเราคอยรู้สึกตัวอย่าหลงไปอยู่ในโลกของความคิดนะใจหนีไปเรารู้ใจหนีไปเรารู้ใจเราจะตื่นขึ้นมาพอใจตื่นขึ้นมาเราก็คอยรู้สึกอยู่ในกายเรื่อยๆเห็นนะมีแต่ทุกข์ล้วนๆมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของบังคับไม่ได้เป็นแค่วัตถุเป็นก้อนาธาตุนะดูอย่างนี้ไปเรื่อยนะใจจะปล่อยวางไม่เอาแล้วละ่ะไม่ใช่ของดีอย่างที่เคยนึกแล้วเป็นภาระเหลือเกินใครเคยเห็นร่างกายนี้เป็นภาระมากบ้างมีไหม เป็นภาระเดี๋ยวก็ต้องทำภารกิจให้มันอีกแล้วนะเดี๋ยวต้องพามันไปกินข้าวอีกแล้วเนี้ยพาไปขับถ่ายพาไปโน่นไปนี่เนี้ยพามันอาบน้ํานะต้องดูแลมันทั้งวันเลยแล้วมันก็สนองคุณเอานะสุดท้ายนําความเจ็บความปวดมาให้อีกนะสุดท้ายตายเลยหนี้เราไปเฉยๆเลยอุตส่าห์เลี้ยงอย่างดีนะสุดท้ายตายเน่าไปซะอีกเนี่ยเฝ้ารู้อยู่ในกายแล้วเห็นความจริงของกายจะหมดความรักในร่างกายนี้ ถ้าเราไม่รักร่างกายนี้นะจิตจะไม่ไปหยิบฉวยร่างกายขึ้นมาเหมือนหลวงพ่อไม่ไปหยิบกระติกน้ํานี้ขึ้นมากระติกนี้หนักนะร่างกายก็เป็นของหนักใช่ไหมเนี่ยแบกไปเรื่อยนะแล้วก็สมมติกระติกนี้ก็หนักนะหลวงพ่อไปเจอหมอท็อปเนี่ยชวนคุยหมอท็อปมาเล่าเรื่องตลกขบขันอะไรเราก็แบกกระติกอยู่นั่นแหละแต่เรามวาแต่ฟังเรื่องตลกขบขันเราเลยไม่รู้ว่ากระติกมันหนักนะถ้าเราคอยรู้สึกอยู่บ้ายกไว้ทําไมปะระหว่าง คนนี้ก็เหมือนกันนะหลงโลกเพลิดเพลินอยู่กับโลกเหมือนหลวงพ่อที่เล่าว่าสมัยคุยกับหมอท็อปก็หลงโลกนั่นเองหลงไปคุยกับหมอท็อปมันทําให้ไม่เห็นความจริงว่าแบกของหนักอยูนะ่นี่คอยรู้สึกตัวนะอย่าหลงไปอยู่ในโลกของความคิดโลกของจินตนาการพอเรารู้สึกตัวเรารู้เลยขันนี้เป็นของหนักจริงๆรูปนี้เป็นของหนักจริงๆรนะิพอรู้นะมีแต่ทุกข์ล้วนๆจิตจวางของเขาเอง ต่อไปเวลามันแก่เราจะเห็นว่ารูปมันแก่ไม่ใช่เราแก่มันเจ็บเราจะเห็นว่ารูปมันเจ็บไม่ใช่เราเจ็บมันตายเห็นรูปมันตายไม่ใช่เราตายรูปซึ่งไม่ใช่ของดีของวิเศษงั้นมันตายไปเนี่ยไม่มีอะไรที่น่าเสียดายมันเจ็บไม่มีอะไรน่าเสียดายนะมันแก่ก็ไม่มีอะไรน่าเสียดายเพราะมันไม่ใช่ของดีของวิเศษนะเนี่ยดูดูนะมีความรู้สึกขึ้นมาพอเรารู้กายเราก็เห็นความจริงของกายถ้ามาดูใจเราก็จะเห็นความจริงของใจเหมือนกัน ใจนี้เดี๋ยวก็สุขใจนี้เดี๋ยวก็ทุกข์ใจนี้เดี๋ยวก็ดีใจนี้เดี๋ยวก็ร้ายนะหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยแต่เดิมเราหาตะกิเลสมาสนองกิเลสนะหาอะไรมาสนองกิเลสเรื่อยกะให้สบายใจถ้าเรามามีสติคอยรู้เท่าทันจิตใจของเราเรื่อยๆเหมือนที่รู้ทันร่างกายนเองคอยรู้ทันใจของเราเรื่อยๆเราจะเห็นเลยใจนี้เต็มไปด้วยความไม่เที่ยงใจเราเนี้ยไม่เที่ยงเร็วกว่ากายอีกความไม่เที่ยงนั้นแสดงตัวได้เร็วกว่ารูป นำมาทำเนี่ยเกิดดับเร็วกว่ารูปถ้าตามตาราบอกว่ารูปหนึ่งรูปเนี่ยนะมีอายุเท่ากับจิตที่เกิดดับไป17ดวง17ขณะนะนี่เราไม่ต้องไปนับขนาดนะั้นนะนับไม่ไหวมันเกินภูมิปัญญาของเรานะไม่ใช่ภูมิที่เราจะนับได้เป็นภูมิของพระพุทธเจ้าเราไม่ได้รู้ขนาดนั้นไม่จำเป็นเราแค่เห็นไปญาจิตนี้นะประเดี๋ยวก็สุขประเดี๋ยวก็ทุกข์ประเดี๋ยวก็ดีปเดี๋ยวก็ร้าย นะอยู่ๆนะจิตที่ดีๆอยู่นะอยู่ๆก็กังวลขึ้นมาจิตที่กังวลอยู่ชั่วคราวก็หายกางังวลใครเคยไหมกังวลอยู่นะกําลังนั่งกลุ่มใจนั่งกงังวลนั่งเครียดเครียดอยู่นะโทรศัพท์ดังขึ้นมานะหันไปรับโทรศัพทนะ์มีคนมาชวนคุยลืมเรื่องที่กังวลไปแล้วสนุกแทนไหเนะีนะ่ยแต่เราไม่เห็นว่ากังวล น, นั้นเกิดดับเพราะเราหลงไปที่อื่นซะกอ่อน มีเรื่องอื่นมากระทบแล้วเราหลงเพลินไปซะก่อนถ้าเราไม่หลงนะเราคอยรู้ทันจิตรู้ทันใจของตัวไปกังวลเกิดขึ้นมาได้กังวลมีเหตุก็เกิดต้องคิดนะคิดขึ้นมาเรื่องนี้แล้วก็กังวลขึ้นมาพอเรารู้เฉยๆขณะที่รู้เราไม่ได้คิดขณะที่คิดเราไม่ได้รู้นั้นตอนที่เรารู้ว่ากังวลนี่เราไม่ได้คิดพอเราไม่ได้คิดนัเหตุของความกังวลไม่มีความกังวลก็ดับ เราเห็นเลยว่าโอ้ความกังวลหายไปแล้วเดี๋ยวกลับไปคิดเรื่องเดิมที่ทําให้กังวลใหม่ความกังวลก็เกิดใหม่นะพอมารู้ทันว่ากําลังกังวลอยู่ขณะที่รู้ว่ากังวลเนี่ยจะไม่คิดนะเป็นกฎของธรรมชาติอย่างนั้นเลยนะตอนที่รู้อยู่จิตไม่หลงไปคิดหรอกนะเหตุของความกังวลก็คือการคิดในเรื่องที่น่ากังวลนะไม่มีความกังวลก็เลยตับไปสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุนะไม่ใช่เกิดจากเราสั่งได้เราจะเห็นว่ามันแปรปรวนตลอดเวลานะ เมื่อกี tää, ้กังวลตอนนี้ไม่กังวลเนี่ยเคยกังวลแล้วไม่กังวลเคยมีแล้วไม่มีเนี่ยอันนี้เรียกว่าไม่เที่ยงเคยไม่มีแล้วเกิดมีขึ้นมาอันนี้ก็เรียกว่าไม่เที่ยงจิตใจเคยสบายนะหันไปเห็นสาวสวยราคาเกิดแล้วจิตที่สบายดับไปแล้วจิตที่มีราคาเกิดขึ้นแทนเนี่ยของไม่เคยมีแต่เดิมไม่ได้มีราคะอยู่ๆมีราคาขึ้นมาจากความไม่มีอันนี้ก็เรียกว่าไม่เที่ยงนะ เห็น like> ั้มมันมีแต่ของไม่เที่ยงเนี่ยเราเฝ้ารู้ลงไปในใจเรื่อยเห็นแต่ความไม่เที่ยงความสุขแต่เดิมไม่มีตอนนี้มีความสุขตอนนี้มีนะอีกสักพักเดียวไม่มีอีกละของเคยมีแล้วไม่มีของไม่เคยมีก็เกิดมีขึ้นมานี่เรียกว่ามันไม่เที่ยงนะเราเฝ้ารู้ลงไปเรื่อยบางคนก็เห็นอีกมุมหนึ่งเห็นเลยว่าทุกอย่างอยู่ชั่วคราวความสุขก็อยู่ชั่วคราวความทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวทนอยู่ตลอดไปไม่ได้ การที่เห็นว่าสิ่งทั้งหลายทนอยู่ตลอดไปไม่ได้อยู่ได้แค่ชั่วคราวนี่เรียกว่าเห็นทุกขังเห็นทุกขังทุกขังว่าความทนอยู่ไม่ได้มันถูกบีบคั้นตลอดเวลาทําไมมันทนไม่ได้ในความเป็นจริงก็คือเหตุนั้นมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเหตุมันเคลื่อนไหวตลอดเวลาไม่ใช่เห็นมันคงที่ได้ตลอดเช่นเราจะไปคิดเรื่องเดียวกันทั้งปีทั้งชาติก็คิดไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปคิดเรื่องอื่นคิดเรื่องเศร้าๆแล้วเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปคิดเรื่องสนุก การความเศร้าก็อยู่ไม่ได้ความเศร้าก็ทนไม่ได้ตรงที่เราเห็นความทนอยู่ไม่ได้นี่เรียเราเห็นในแง่มุมของทุกขังเห็นไตรลักษณ์ในมุมของทุกขขังเราเห็นต่อไปอีกบางคนลึกซึ้งเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุถ้ามีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้การที่เห็นว่าบังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้นะอันนี้แหละเรียกว่าเห็นอนัตตา นั้นกาเราเห็นดูจิตดูใจนะดูเป็นก็ここเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันเห็นของเคยมีแล้วไม่มีเห็นของเคยไม่มีแล้วเกิดมีนี่เห็นอนิจจังเห็นว่าทุกสิ่งที่มีนั้นทนอยู่ไม่ได้อยู่ได้ชั่วคราวแล้วก็สลายตัวไปนี่เรียกว่าทุกขงังเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุถ้ามีเหตุก็เกิดหมดเหตกุก็ดับบังคับไม่ได้เรียกว่าอนัตตาแล้วถ้ามองอีกมุมหนึ่งเราจะเห็นยัางราคะเกิดขึ้นนะจิตของเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่นะี่ เราจะเห็นราคาเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูมันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเท่านั้นเองความโกรธเกิดขึ้นจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูมันจะเห็นว่าความโกรธไม่ใช่ตัวเรานะเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าอะไรที่เป็นของถูกรู้สิ่งนั้นจะเราจะรู้สึกเลยว่ามันไม่ใช่ตัวเรารู้สึกไม้พัดนี้เป็นของถูกรู้ถูกดูใครรู้สึกว่าพัดเป็นตัวเราบ้างยกเป็นคนที่ชื่อพัด พัฒนี่แหละฉันชื่อพัฒนเนี่ยพั้นพัฒคือตัวฉันเนี่ยถ้าเราเห็นพัฒอย่างนี้นะมันของถูกดูอยู่มันไม่ใช่ตัวเรานะถ้ามือนี้นะเป็นของถูกดูมือก็จะไม่ใช่เรานะความโลภความโกรธความหลงความสุขความทุกข์เป็นของถูกดูมันก็ไม่ใช่ตัวเรา เนะนี่ยเฝ้าดูลงไปนะในกายนี้ก็มีแต่อนิจจังทุกขังอนัตตาในใจก็มีแต่อนิจจังทุกขังอนัตตามุนเบี่ยนเปลีป่ยนแปลงไปด้วยเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกจะรู้เลยทั้งกายทั้งใจทั้งรูปทั้งนามมีแต่ของไรสาระไปหยิบไปเวยขึ้นมามีแต่ภาระทั้งสิน้นอย่างที่เรามาหัดภาวนากันนะหรือหัดทําความดีทั้งหลายนะเราวังอะไรหวังว่าจิตใจจะมีความสุข เราไปดูหนังดูละครไปกินข้าวไปอะไรให้อร่อยอร่อยนะหวังอะไรหวังว่าจะมีความสุขเห็นไหมแต่ถ้าเรามีสติจริงๆเราจะเห็นเลยดิ้นรนแทบตายหวังว่าจะมีความสุขแล้วมีความสุขแวบบเดียวความสุขก็ดับไปแล้วต้องดิ้นต่ออีกมีแต่ภาระนะในจิตในใจของเราเต็มไปด้วยภาระตัณหานะผลักดันจิตใจอยู่ตลอดเวลาให้อยากโ น, น่นอยากนี้นะถ้าอยากเราได้สนองความอยากนะั้นเราจะรู้สึกสบายใจขึ้นแวบหนึ่งถ้าไม่สนองความอยากนั้นจะเครียดเลย นะั้นปะัญหานะั้นมันจะสั่งงานเราจิตใจเราไม่มีอิสรภาพนะจิตใจเราเต็มไปด้วยความทุกข์ความทุรนทุรายถูกบีบคั้นตลอดนะเต็มไปด้วยของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ได้เป็นตัวของตัวเองือถูกตัญหานะั้นบีบคั้นตลอดเวลาเนี่ยเรามาเรียนมารู้นะอยู่ที่กายที่ใจรู้มากเข้ามากเข้านี่รู้ความจริงแล้วกายนี้ไม่ใช่ของดีของพิเศษจิตจะปล่อยวางความยึดถือกายเมื่อไรจิตปล่อยวางความยึดถือกาย จิตจะไม่ทุกข์เพราะกายอีกต่อไปนะการภาวนาเนี่ยมันจะรวมเข้ามาที่จิตแล้วคราว น, นี้มันจะรักษาจิตอยู่เห็นแล้วกายเป็นของไม่ดีแต่จิตเป็นของดีจะรู้สึกอย่างนี้นะนี่เป็นภูมิของพระอนาคามีเพราะนั้นถ้าเราฟังธรรมะใครเขาพูดธรรมะให้เราฟังหรือเราอ่านธรรมะอะไรเนี่ยถ้ายังมีเรื่องการสงวนรักษาจิตอยู่ก็การประคับประคองรักษาจิตอยู่เนี่ยเรารู้ได้อย่างหนึ่งนะว่าผู้แสดงอันนั้นไม่ถึงหรอกนะ ยังยังมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้อีกยังไม่เข้าใจสิ่งที่พุทธเจ้าสอนทั้งหมดเห็นเห็นอยู่ว่ากายไม่ใช่ตัวเรากายเป็นทุกข์นะแต่ยังเห็นว่าจิตเป็นตัวเราอยู่เป็นของดีของวิเศษอยู่อย่างนี้ยังไม่ใช่ธรรมะหรอกนี่ต้องภาวนาไปนะจนกระทั่งเห็นจิตเด่งเหมือนกันถ้าเมื่อไหร่เราเห็นว่าจิตก็ไม่ใช่ตัวเราเราจะไม่เห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นตัวเราถ้าไม่เห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นตัวเรานั่นคือภูมิธรรมของพระโสดาบัน ถ้าเมไรเห็นว่าจิตนี้เป็นตัวทุกข์จิตเป็นตัวทุกข์ล้วนๆเลยตัวทุกข์แท้ๆทุกข์เพราะไม่เที่ยงทุกข์เพราะถูกบีบคั้นทุกข์เพราะว่าบังคับไม่ได้ถ้าเห็นจิตเป็นตัวทุกข์จะไม่เห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งในโลกเนี้ที่ไม่ใช่ตัวทุกข์เลยมีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยถ้าเห็นจิตไม่ใช่ตัวเราทุกสิ่งในโลกไม่ใช่เราถ้าเห็นจิตเป็นทุกข์ทุกสิ่งในโลกจะเป็นทุกข์ไปหมดเลยะกระทั่งจิตยังทุกข์แล้วอะไรมันจะสุข ถ้าเห็นอย่างนี้จิตจะสลัดคืนจิตให้โลกนะคนที่คืนกายให้โลกนะคือพระนาคขาคนที่สลัดคืนจิตให้โลกคือพระอรหันตะ์นก่อนจะถึงพระนาคขาเนี่ยจะเห็นก่อนว่าจิตเขาไม่ใช่เราตัวเราไม่มีอันนั้นเป็นภูมิธรรมของพระโสดาบันนั้นการเห็นว่าไม่ใช่ตัวใช่ต น, เ, นเห็นก่อนนะแต่ความยึดถือเนี่ยทำลายได้ทีหลัง จะทำลายความยึดถือในรูปในนามได้นะปล่อยวางรูปนามได้นะต้องเห็นทุกเห็นโทษถ้าไม่เห็นทุกเห็นโทษของรูปนามไม่ปล่อยหรอกงั้นอย่างถ้าเราไปอยู่ในที่ที่สวยงามชอบแต่สวยดูแต่ของสวยแล้ววันหนึ่งหวังว่าจะพ้นทุกไม่พ้นหรอกนะต้องดูให้เห็นทุกเห็นโทษนะของกายของใจของรูปของนามครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อมาไม่เห็นทุกไม่เห็นธรรมนะไม่เห็นทุกไม่เห็นธรรม ถ้าเห็นทุกอย่างแจ่มแจ้งเขาจะเห็นทมแจ่มแจ้งนะเป็นธรรมล้วนๆเลยต่อไปนีนะ้เกินเวลาไปครึ่งนาทีนะเชิญไปทานข้าว